ส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรนบินธบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่บรรพชิตจำต้องนํามาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากภิกษุนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไป และเราก็บรรลุษทำอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพสัชบริคารที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรนเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต เพราะเหตุแห่งคีลานปัจจัยเพศะปรุคารเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิต ท, ที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอสุวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและเราก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุภิกษุนั้นรู้แล้วควรอยู่ในป่าทึบนั้นไม่ควรหลีกไปอันหนึ่ง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 เหตุผลการอยู่อาศัยบ้านเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งละถึงเข้าไปอยู่อาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ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 แต่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวณเพราะเหตุแห่งบิทธบาตเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งคีลานปัจัยเพศสัตว์บริขารเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคล น, นี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิต ท, ที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไป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 อาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและภิกษุนั้นก็บรุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรบินทบาทเซนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตว์บริคารที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากภิกษุนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคล น, นี้ เมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคล น, นี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอสาาวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและเราก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอัญยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีลานปั จ, จัยเพศบริคัรที่บรรพชิตจำต้องนามาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก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 ภิกษุนั้นควรติดตามบุคคล น, นั้นไปจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปแม้จะถูกขับไล่ก็าตามพระผู้มีพระภาคได้ตรัพย์สิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละวั น, นปัสสูตรที่เจ็จบ มัทุ ป, ปินทิกะสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครทารามเขตกรุงกระบิลพั์แคว้นสักกะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสุกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงกระบิลภั์ กลับจากบินทาบาตภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักผ่อนกลางวันแล้วจึงประทับ พ, พักผ่อนกลางวันณโนะคนต้นมะตูมหนุ่มฝ่ายท่านทัปาณิสากยะกาลังเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงต้นมะตูมหนุ่มแล้วสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนขึ้นยันไม่เท้าลงณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณนะมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรต่อปัญหาทันทปานิ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างใดจึงไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรห ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ ผู้ปราศจากความทยานอยากในพบน้อยพบใหญ่ได้โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วทัณฑปาณิสากยะสันสีษะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม้เท้ายันขึ้นแล้วจากไปครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังนิคโครทาราม แล้วประทับนั่งบนพุทธอาอัตที่ปูลาดไว้แล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้านี้เราครองอันตรวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกรบเบรพัดกลับจากบิณฑบาตภายหลังชั้นพัฒฐารเสร็จแล้วจึงเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อพักผ่อนกลางวันแล้วนั่งพักผ่อนกลางวันณโนะคนต้นมะตูมหนุ่มแม้ทันทปานิสักยะ ก็เดินเที่ยวชมทิวทัศน์เข้าไปยังป่ามหาวันครั้นแล้วจึงเข้าไปหาเราจนถึงต้นมะตูมหนุ่มได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนขึ้นยันไม่เท้าลงณที่สมควรครั้นแล้วได้ถามเราว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรเมื่อทันทะปาณิสากยะกล่าวอย่างนั้นแล้วเราได้ตอบว่า ผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างใดจึงจะไม่โตเถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกรามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความคณองได้ ผู้ปราศจากความทยานอยากในพบน้อยพบใหญ่ได้โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นเมื่อเราเกล่าวอย่างนั้นแล้วทันทะปานิสักยะสันศีสะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม้เท้ายันขึ้นแล้วจากไป ทรงแสดงอุทเทศเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคมีปกติตรัสอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงามพราหมณ์นั้น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 ข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัย tu เป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุ Sexual> ัยและเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือศัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จ บาพอากุโสลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังที่ประทับครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้มีความสงสัยว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุ แง่ต่างๆแห่งปปันจสัญญายอมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุัสเป็นที่สุดแห่งมานานุัยเป็นที่สุดแห่งภวระราคานุัย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 ใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ครั้งนั้นพิสุเหล่านั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านมหากัจานะนี้พระาศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรมมารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรนเสริญแล้วและท่านมหากรจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไวโดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านมหากัจนะจนถึงที่อยู่และควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจนะลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจานะจนถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่เราลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนาที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะว่าท่านกัจจานะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุัย ละถึงบาปอากุศิธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธอาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจากไปไม่นานพวกกระผมได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจะสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัและถึงบาปอากุสนธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิดารทรงลุกขึ้นจากพุทธาธ์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ท่านกัจจานะพวกกระผมคิดว่าท่านมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพระมารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดี เราทั้งหลายคุณเข้าไปหาท่านมหากัจจาระจนถึงที่อยู่แล้วควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจารนะขอท่านมหกจจาการะจงชี้แจงเถิดท่านพระมหากัจจาระจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุปมาเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่ผ่านโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไป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 พระองค์ทรงตอบอย่างใดพวกกระผมจะทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านมหากรจานะเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนโพรมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากรจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านมหากจจานะไม่ต้องหนักใจ ชี้แจงเถิดพระมหากานาอธิบายอุเทศท่านพระมหากานากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะ ก, กล่าว ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมาหากัจจานะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงมบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุัยละถึง บาปอักษรธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธอาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้จักขูวิญ ญ, ญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์ความประจวบกันแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะ เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลไมารู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นบุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งปปัปัญจสัญญาย่อมอครอบงำบุรุษในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางตา ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโสตะวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมและถึงคานาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยคานาและคันธารมชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาและรสารมกายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโพธพารมมโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรมารม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 แง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบรุษในธรรมรมณ์ทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางใจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อมีจักขุมีรูปารมณ์และมีจักขุวิญญาณเป็นไปได้ที่เขาจกบัญญัติผัสสะเมื่อมีการบัญญัติผัสสะเป็นไปได้ที่เขาจกบัญญัติเวทนาเมื่อมีการบัญญัติเวทนาเป็นไปได้ที่เขาจกบัญญัติสัญญา เมื่อมีการบัญญัติสัญญาเป็นไปได้ที่เขาจักบัญญัติวิตกเมื่อมีการบัญญัติวิตกเป็นไปได้ที่เขาจักบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปะปัญจสัญญาเมื่อมีโสตะมีศัทธารมมละถึงเมื่อมีคาณะมีคันธารมเมื่อมีชิวหามีรสารมเมื่อมีกายมีโพธพารม เมื่อมีมโ น, โนมีธรรมารมและมีมโนวิญญาณเป็นไปได้ที่เขาจากบัญญัติผัสสะเมื่อมีการบัญญัติผัสสะเป็นไปได้ที่เขาจากบัญญัติเวทนาเมื่อมีการบัญญัติเวทนาเป็นไปได้ที่เขาจากบัญญัติสัญญาเ ม, <า S 1> <ง feito> <wire> มื่อม <év> ีการบัญญ <ician> ัต <bek IU Norman> ิสัญญาเป็นไปได้ที่เขาจากบัญญัติวิตกเมื่อมีการบัญญัติวิตกเป็นไปได้ที่เขาจากบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญา เมื่อไม่มีจักขุไม่มีรูปารมณ์ไม่มีจักขูวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจากบัญญัติภัสสะเมื่อไม่มีการบัญญัติภัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจากบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจากบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจากบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตก เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจับัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาเมื่อไม่มีโสตะไม่มีสัทธารม์ละถึงเมื่อไม่มีคาณะไม่มีคันธารมเมื่อไม่มีชิวหาไม่มีรสารมเมื่อไม่มีกายไม่มีโพธพารมเมื่อไม่มีมโนไม่มีธรรมารมไม่มีมโนวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจกบัญญัติผัสสะ เมื่อไม่มีการบัญญัติผัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตกเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 ทรงลุกขึ้นจากพุทธอาสเสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้เมื่อท่านปรารถนาควรจะพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นเถิดพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้น ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจานะแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเด็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยย่อว่าภิกษุ แง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยละถึงบาปอากุศนธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ส่งชี้แจงเนื้อความให้พิดารทรงลุกขึ้นจากพุทธอาเสด็จเข้าไปยังที่ประทับ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายได้เกิดความสงสัยกันว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศแก่พวกเราโดยย่ อ, อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุตรเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัย เป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยและเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือศาสตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จบาปอากุสนธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดาร ทรงลุกขึ้นจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะควรชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อนี้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความคิดว่าท่านพระมหาการณา น, านี้พระาศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนโพรมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากานะ ก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจาณะจนถึงที่อยู่แล้วควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจานะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายได้พากันเข้าไปหาท่านพระมหากัจาณะถึงที่อยู่ แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจานะท่านพระมหากัจานะได้ชี้แจงเนื้อความด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ทรงสรรเสริญพระมหากัจจานะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นบัณฑิตภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นผู้มีปัญญามากแม้ว่าเธอทั้งหลายจะถามเนื้อความนี้กับเราเราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นอย่างนี้เหมือนกับที่มหากัจจานะตอบเรื่องนี้มีเนื้อความดังนี้แลเธอทั้งหลายจงทรงจาเรื่องนั้นไว้อย่างนี้เถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วท่านพระ อ, อ น, นุนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำได้ข น, นมหวานเขากินในเวลาใดๆก็จะพึงได้รับรสหวานอร่อยในเวลานั้นๆแม้ฉันใดภิกษุผู้เป็นนักคิดเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกันคร้ครวนเนื้อความแห่งธรรมบัญญายนี้ด้วยปัญญาในเวลาใด ก็จะพึงได้ความพอใจและความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบัญญายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอจงทรงจำไว้ว่าธรรมบัญญายนี้ชื่อมะทุ ป, ปินทิกะบรรยายพระผู้มีพระภาคได้ตรพัพสิทธิ์นี้แล้ว ท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมัทุปินทิกะสูตรที่แปดจบ 9. เทวทาวิตกั ก, กตร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 ภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าอะไรเราควรจัดวิตกออกเป็นสองประเภทภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงได้จัดกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดเนคขมาวิตกอพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่สอง กุศลละวิตก3าิิษุทั้งหลายการมวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรกุติษกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าการมวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่การมวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญา เป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่า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 เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่วิหิงสาวิตกนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความครับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างวิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่า เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างวิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานวิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเรานั้นย่อมละบันเทา ทำวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีจิตน้อมไปในวิตกนั้นๆถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงกามาวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนคขมะวิตกกระทำแต่กามาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อการมาวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงพยาบาทวิตกมาก ละถึงถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกกระทาแต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกในศาสมัยเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่มีข้าวกล้าหน า, นานแน่นเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นๆกั้นไว้ห้ามไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกจองจําการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอนิสง์ในเนคข ม, มะอันเป็นฝ่ายผงแพ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย